สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศีลปิบารนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตสาวกแท้ของพระเยซูครั้งที่สามแล้วครับวันนี้จะเจาะลึกถึงคําว่าสละทุกสิ่งพระะของพรเจ้านะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบสี่ข้อสามสิบสามพระธรรมลูกาบทที่สิบสี่ข้อสามสิบสามโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าก็เช่นนั้นแหละ ทุกคนในพวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้การจะเป็นสาวกของพระเยซูได้นั้นเราจะต้องสละครับสละทุกสิ่งถ้อยคำตรัสของพระเยซูมีความหมายเช่นนี้มิได้หมายความเป็นอย่างอื่นครับคือสละทุกสิ่งการเป็นสาวกของพระเยซูต้องสละทุกสิ่ง ไม่ว่าเราจะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยไม่ว่าเราจะขัดขืนหรือไม่ว่าเราจะคิดว่าเราคงทำไม่ได้หรืออาจจะไม่สนใจคำตรัสของพระเยซูตรงนี้เลยไม่ว่าเราจะมีท่าทีอย่างไรต่อคำว่าสละทุกสิ่งข้อเท็จจริงก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับว่านี่เป็นพระดำรัของพระเจ้า และพระองค์ทรงหมายความถึงอย่างนั้นจริงๆด้วยครับพี่น้องที่รักเราทุกคนต้องเผชิญกับความจริงนี้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงประเด็นที่ผมอยากจะยกให้พี่น้องในวันนี้เมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องสละทุกสิ่งและไม่เปลี่ยนแปลงเพราะนี่คือคำตรัสของพระเยซูกับสาวกของพระองค์ทุกยุกทุกสมัยเราจะเห็นว่าพระเยซูไม่ได้ทรงต้องการ จากคนงานคริสเตียนคนใดเป็นพิเศษหรือบางคนเท่านั้นเรารู้ว่าพระเยซูตรัสว่าทุกคนในพวกท่านพี่น้องครับคําว่าทุกคนในพวกท่านหมายถึงใครครับหมายถึงพี่น้องผมไม่ใช่หรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ถูกครับทุกคนในพวกท่านหมายความถึงผมและพี่น้องทุกท่านพระเยซูทรงเรียกร้องเรา ให้เป็นสาวกของพระเยซูอย่างแท้จริงพระเยซูไม่ได้จัดว่าเราต้องเพียงแต่เต็มใจสละทุกสิ่งพระองค์จัดว่าทุกคนในพวกท่านที่มิได้สละหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าพระองค์ปรารถนาที่จะเห็นการสละของทุกๆคนเพราะฉะนั้นทุกคนที่มิได้สละ ก็จะเป็นสาวกของเราไม่ได้เป็นสาวกของพระเยซูไม่ได้ประเด็นต่อไปก็คือพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าเราต้องสละทรัพย์ของเราเพียงส่วนเดียวแต่พระองค์ตรัสว่าทุกคนในพวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่ดูเผินๆ น, น, นะครับเหมือนกับว่าคนที่ติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูมีอะไรไม่ได้เลยใช่หรือไม่ ท่านครับประเด็นต่อไปก็คือพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าเรานะครับยังเปิดทางง่ายให้กับผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมาไปลูกศิษย์ของพระองค์ได้เปียสูตรัสว่าอะไรครับเป็นสาวกของเราไม่ได้ผู้ง่ายๆครับไม่มีทางอื่นครับีทางเดียวที่จะเป็นสาวกของเปียสูนั่นคือการสละสละทุกสิ่งอย่าแปลกใจนะครับ เพราะว่ามีคําสั่งอื่นของพระเยซูในเพิ่มพีสาหรับสาวกของพระองค์พระเยซูตรัสว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้แต่ที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพสมบัติไว้ในสวรรค์อันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อสิบเก้าถึงยี่สิบพระเยซู บ, บอกเรานะครับว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้ สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมแล ะ, มะแมลงกินได้ทำโมยขุดช่องลักเอาไปได้แต่สะสมทรัพสมบัติไว้ในสวรรค์มีท่านผู้หนึ่งครับเป็นนักเทศผู้ยิ่งใหญ่ชื่อจอห์นเวสเลท่านกล่าวอย่างนี้นะครับว่าเจ้านายของเราบนสวรรค์ห้ามสะสมทรัพสมบัติไว้ในโลกและคำสั่งของพระองค์ที่ทรงสั่งห้ามไว้ เหมือนดังที่ห้ามเรื่องผิดประเวณีและห้ามฆ่าคนเป็นคำสั่งน้ำหนักคำสั่งเข้ากันครับไม่เพียงแต่เท่านั้นพระเยซูตรัสว่าจงไปขายบรรดาสิ่งของซึ่งท่านมีอยู่แจกจ่ายให้คนอนาถาพระเยซูตรัสกับเศรษฐีหนุ่มว่าจงไปขายบรรดาสิ่งของให้กับคนอนาถาท่านจึงมีทรัพสมบัติในสวรรค์ตามเรามาและเป็นสาวกของเราที่นองครับหาก ใครจะตีความเป็นอื่นว่าพระเยซูไม่ได้หมายความดังนั้นจริงๆเป็นเพียงแต่สั ญ, ญลักษณ์โปรดแสดงให้เห็นว่าพระงหมายความว่าอย่างไงครับแล้วเห็นในพระธรรมกิจการบทที่สองข้อสี่สิบห้านี่บอกว่าผู้เริ่มใสในเครือจักรสมัยแรกนะครับเขาก็ขายที่ดินทรัพย์สิ่งของ มาแบ่งให้กับคนทั้งปวงตามซึ่งทุกคนต้องการแต่ด้วยทางปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีผู้เชื่อที่จะสละทุกสิ่งตามพระเยซูไปแต่พี่น้องครับมีคนที่พระเจ้าภาคภูมิใจพระเจ้ายิ้มนะครับมิท เ, ทนเยนรอุ่นแรกที่ไปที่นครแบกแดด เขา ย, ายืนยันยืนยันนะครับว่าเขาเลิกสะสมทรัพย์สมบัติไม่ในโลกเขาใช้เงินจำนวนมากที่เขาได้รับมาทั้งหมดในงานของพระเจ้าซีทีสตั๊เป็นนักเทศเป็นผู้ประกาศตกลงใจจะถวายเงินทั้งหมดของท่านให้กับพระเยซูท่านได้ ช่วยโอกาสทำสิ่งที่เศรษฐีหนุ่มในพระกัมพีไม่ได้ทำก็คือเชื่อฟังพระดำรัดของพระเจ้าพี่น้องครับหลายในคนนะครับที่ผ่านมานั้นก็ยอมสละยอมสละอาชีพของตัวเองมารับใช้พระเจ้ายอมสละแม้แต่ความสุขสบายมารับใช้พระเจ้า เป็นสาวกของพระเยซูเชื่อฟังคำสั่งดำพระรักของพระองค์คำถามในวันนี้ก็คือว่าเราได้สละสิ่งสารพัดแล้วหรือยังพี่น้องครับโปรดจำไว้ว่า little commitment lead to bigger commitment หมายความว่าถ้าเราเริ่มที่จะสละบางสิ่งบางอย่าง เพื่อพระเยซูก็จะนำไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเราจะสามารถสละทุกสิ่งได้ผมเองก็กำลังเรียนรู้กำลังอยู่ในสถานภาพในประบวในกระบวนการที่กำลังเติบโตเป็นครับผมอยากจะหนุนใจครับ อย่าให้ใจที่ไม่เชื่อฟังของเราบอกเราว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะทาตามพระดารัสของพระเยซูอย่างจริงจริงจังจั ง, จรงเราคิดว่าถ้าเราสละทุกสิ่งแล้วเราจะอดตายเราคิดว่าเราต้องจัดหาไว้สำหรับคนที่เรารักแมอนาคตของเราของเขาของลูกเราเหรนเราหลานเราและเราก็ถามว่าใครเป็นคนที่ดูแลการงานของพระเจ้าถ้าผมไม่มีเงิน ไม่มีเงินที่จะถวาย้ัคริสเยนทุกคนสละทุกสิ่งที่ตนมีอยู่เราแปลกใจนะครับว่าเราจะสามารถที่จะเข้าไปประกาศพระกิติคุณได้ในทุกแห่งหนทุกที่ทุกชนชั้นพี่น้องครับความจริงมีอยู่ว่าเราแต่ละคนเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูนี้ไม่เท่ากันครับใครก็ตามที่เหมือนจะสละสิ่งสารพัด นะครับไม่บ้าก็บอแหละเพราะอะไรครับเป็นการโง่ครับเป็นการโง่ที่สังคมนะครับมักจะบอกกับคนที่เป็นคริสเตียนและพร้อมที่จะถวายตัวว่าัดฉลาดบ้างนะใครจะเลี้ยงคุณพระเจ้าทรงเรียกจริงๆหรือเปล่ามีหลายอย่างครับที่ทําให้เรานั้นรู้สึกจิตตกมีหลายอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่า ใครจะดูแลเราจริงๆพี่น้องครับคนที่สละทุกสิ่งนะครับเป็นผู้ที่พระเจ้าจะดูแลนะครับคนที่สละทุกสิ่งเป็นคนที่พระเจ้าจะดูแ ล, แลและเมื่อคนใดเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะดูแลเขาอย่างแน่นอนขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทกุกท่านหากมีพี่น้องท่านใดปรารถนาที่จะ ถวายชีวิตสละทุกสิ่งติดตามพระเยซูไปก็ขอให้พี่น้องได้อธิษฐานกับพระองค์และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานความมั่นใจในชีวิตของท่านเหมือนกับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานความมั่นใจในชีวิตของกระผมขอพระเจ้าช่วยเหลือทุกท่านที่จะพร้อมในการสละทุกสิ่งติดตามพระเยซูอย่าลืมนะครับ ถ้าเราเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนก็จะนำไปถึงการปรนนาตัวที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดอาเมน